ชื่อเจ้าเมืองแห่งจิตนารเจ้าเมืองแห่งจิตนารหรือนครสามีนี้เรียกกันทั่วไปว่าจิตตะตามชื่อของเมือง แต่มีนามอีกสี่นามที่ขานเรียกกันคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นการเรียกตามอาการที่แสดงออกของเจ้าเมืองเพราะเจ้าเมืองมีปกติแสดงอาการกิริยาออกมาให้ใครๆเห็นได้หลายอยา่างที่เด่นๆก็4อยา่างคือแสดงความเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆร่วมกันไปกับชาวเมืองทั้งปวงจะเกิดสุขทุกข์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 ช่างรู้ต่างๆนามทั้งสี่นี้เจ้าจิตนครใช้เรียกเจ้าเมืองกันเพราะเหตุที่เจ้าเมืองมีลักษณะต่างๆดังกล่าวอันที่จริงการเรียกชื่อของใครว่าอะไรตามลักษณะพิเศษของผู้นั้นไม่ใช่เป็นของแปลกเหมือนอย่างคนเรานี่เองที่เป็นคนร้ายกาศมากต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่เข้าไปอยู่ในปา่าก็ถูกขนานนามว่าเสือส่วนที่ เป็นคนดีมีเมตตากรุณานในคนทั้งหลายก็เรียกว่าผู้มีเมตตาเป็นต้นสุทัตะเศรษฐีในสมัยพระพุทธเจ้าคนเรียกกันว่าอนาถปินติกะเพราะเป็นผู้มีเมตตาให้อาหารแก่คนอนาถาอยู่เสมอและเรียกชื่อนี้กันแต่ชื่อเดียวจนชื่อเดิมเกือบจะไม่รู้จักกันบรรดา น, นามของเจ้าเมืองทั้งสนามว่าวิญญาณ คนมักชอบเรียกกันในบางโอกาสจนถึงคล้ายกับเป็นนามที่สำคัญที่สุดอันที่จริงทั้งสี่เป็นนามรองทั้งนั้นนามที่สำคัญที่สุดของเมืองแห่งจิตนครก็คือจิตตะคือจิตนั่นแหละเป็นตัวแท้ตัวจริงส่วนนามอื่นทั้งสี่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นเป็นเพียงอาการแสดงได้กล่าวไว้แล้วว่า จิตเป็นที่รับอารมณ์หรือกิเลสเมื่อรับไวมากก็ย่อมเศร้าหมองมากมีความสุขน้อยเมื่อรับไวน้อยก็ย่อมมีความผ่องใสมีความสุขมากอาการแสดงออกของจิตทั้ง4ี่อย่างคือรับรู้สุขทุกข์รู้จำช่างปรุงคิดและช่างรู้ต่างๆนั้นแม้เจ้าเมืองทุกจิตตนครจะมีเสมอกัน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 ทั้งสี่เช่นเดียวกับคนจะไม่ได้รับความร้อนอันเนื่องมาจากแสงแดดพูดง่ายๆก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นไปเช่นไรจิตต้องมีสติเพียงรู้ว่าเป็นไปเช่นนั้นต้องไม่เผลอสติปล่อยตัวออกไปคลุกเคล้าเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือไม่ไปยึดมั่นไว้นั่นเองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็จะสักแต่ว่ามีอยู่ตามปกติวิสัยของผู้ยังมีชีวิตจะไม่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อนเศร้าหมองลักษณะเจ้าเมืองจิตตนครและทวารเมืองเจ้าเมืองแห่งจิตนครกล่าวได้ว่าเป็นคนขยันมากที่สุดยกให้เป็นบุคคลขยันตัวอย่างได้ทีเดียวดังจะพึงเห็นได้ว่าขยันรับรู้สุขทุกข์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 มีความผันแปรผิดแผกไปจากปกติบางอย่างในจิตนครดังจะกล่าวต่อไปจิตนครเรียกได้ว่าเป็นเมืองเปิดใครจะผ่านเข้าออกได้อย่างเส ร, รีไม่ต้องมีหนังสือเดินทางสำหรับผ่านเข้าออกเหมือนเมืองทั้งหลายอันที่จริงจิตนครมีปราการล้อมรอบมีทวารเมืองที่วางเป็นจังหวะภายนอกหทวารทั้งหทวานีา้ ใช้เป็นทวารแห่งระบบสื่อสารชั้นนอกทั้ง5ดังที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยจะหาเมืองที่ไหนในโลกปัจจุบันที่มีปราการและทวารเรียบร้อยเป็นระเบียบเหมือนดังจิตนคร น, นี้ทั้งยังมีทวารชั้นในซึ่งเป็นทวารแห่งระบบสื่อสารชั้นในอีกด้วยแต่ถึงเช่นนั้นก็คล้ายกับไม่มีปราการไม่มีทวารเพราะไม่ได้ปิด ปล่อยให้ใครๆเข้าออกได้ตลอดเวลาเว้นแต่เวลาที่หลับของจิตนครทวานเหล่านี้จะปิดส่วนเวลาตื่นของจิตนครทวานเหล่านี้จะเปิดอยู่เสมอจะเลยบอกชื่อทวานชั้นนอกทั้งห้าไว้ด้วยทีเดียวมีชื่อต่างๆกันดังนี้จักูุทวานประตูตาหนึ่งสตตทวารประตูหูหนึ่งคานทวาน ประตูจมูกหนึ่งชิวหาทวารประตูลิ้นหนึ่งกายทวารประตูกายหนึ่งส่วนชั้นในเรียกว่ามโนทวารประตูใจรวมทั้ง6ทวารซึ่งเป็นทวารสำคัญเพราะเหตุที่เป็นเมืองเปิดดังนี้ผู้ที่เข้าไปในเมืองจึงมีหลายประเภทเป็นคนดีก็มีเป็นคนร้ายก็มีเข้าไปเที่ยวแบบที่เรียกว่า มาทัศนาจรแล้วก็กลับออกไปก็มีเข้าไปอยู่ น, นานๆจนถึงมาตั้งหลักฐานอยู่ประจำก็มีความวุ่นวายจึงเริ่มมีขึ้นในจิตนครจิตนาการที่เคยสงบเรียบร้อยก็เริ่มไม่สงบเรียบร้อยแต่อาศัยที่เจ้าเมืองเป็นบุคคลพิเศษพวกคนร้ายจึงไม่อาจก่อเหตุการณ์ร้ายได้ร้ายแรงโดยง่ายคือเจ้าเมืองเป็นบุคคลที่มีอานาจมีความฉลาด มีวันนะผ่องใสจนถึงใครๆพากันเรียกเจ้าเมืองด้วยภาษาของชาวจิตตนครว่าประพัสสอนตรงกับคำสามัญว่าพุทธพ่องหรือผ่องสว่างเจ้าเมืองยังมีลักษณะพิเศษยิ่งกว่านี้อีกมากเมื่อเรื่องดำเนินไปถึงตอนที่ควรจะกล่าวจึงจะกล่าวเพิ่มเติมแต่สำหรับเรื่องที่ควรจะกล่าวต่อไปตรงนี้ก็คือคู่บา ร, รมีของเจ้าเมือง เป็นผู้ที่มีความงดงามและความดีทั้งปวงอย่างน่าอัศจรรย์เป็นคู่ที่ส่งเสริมเจ้าเมืองพร้อมทั้งจิตนครให้มีความสุขความเจริญอยู่ตลอดเวลาเจ้าเมืองขณะที่อยู่กับคู่บา ร, รมีจะมีความผุดผ่องงดงามเหมือนอย่างมีรัศมีสว่างทั้งองค์ออกไปเป็นที่ปรากฏในจิตนครก็มีความผาสุขด้วยกันทั้งหมด อันความดีงามเป็นเหตุแห่งความร่มเย็นเป็นสุขทั้งของเจ้าตัวเองและทั้งแกบ่บรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งปวงเมื่อยามใดเจ้าเมืองแห่งจิตนครมีความใกล้ชิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคู่บา ร, รมีซึ่งมีความดีงามยามนั้นเจ้าเมืองแห่งจิตนครก็ร่มเย็นเป็นสุขทั้งยังแผ่ความร่มเย็นเป็นสุขนั้นไปทั่วทั้งจิตนครอีกด้วย ดังนั้นความดีงามจึงเป็นความสำคัญที่ควรจะสร้างสรรให้เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งทุกจิตใจบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายคือผู้กำลังพยายามสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใ จ, จตนยิ่งยิ่งขึ้นดังนั้นจึงเป็นที่หวังได้ว่าจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขและสามารถแผ่ความร่มเย็นเป็นสุขออกไปได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย เพื่อนคู่หูของเจ้าเมืองจิตนครเจ้าเมืองแห่งจิตนครมีคู่บา ร, รมีที่มีความงดงามและความดีอย่างน่าสัจ ร, รั์เมื่อมีคู่บา ร, รมีที่ดีเลิศเช่นนั้นเจ้าเมืองแห่งจิตนครก็น่าจะมีแต่ความเจริญสุขแต่หาใช่เช่นนั้นไม่เพราะเจ้าเมืองแห่งจิตนครยังมีเพื่อนคู่หูคู่คิดอีกหลายคน ผู้ที่น่าจะแนะนำให้รู้จักก่อนคนอื่นมีชื่อค่อนข้างจะไพรเราะว่าสมุทยเจ้าตัวสมุทยเองอวดชื่อของตนเองเสมอว่าแปลว่าอุทยสุขพรั่งพร้อมได้ให้คําแนะนำเจ้าเมืองในสิ่งต่างๆเพื่อให้ปกครองจิตนครให้มีความสุขสนุกสบายเรียกว่าเป็นเพื่อนคู่หูคู่คิดได้ดีทีเดียวเพราะจะกระซิบเรื่องต่างๆ อยู่ที่หูที่ใจเสมอสมุทรไทยผู้นี้มีลักษณะนิสัยที่อยากได้ใคร่ดีมากคืออยากได้สิ่งต่างๆที่ดีที่สวยงามที่เป็นเครื่องบำเ ร, รสุขใครจะได้ตำแหน่งที่สูงเด่นจะเพราะมีปมด้อยอยู่ในตัวมากหรือจะมีปมเด่นมากก็ยากที่จะพูดได้ลักษณะนิสัยอีกอย่างหนึ่งของสมุทรไทยก็คือ ความอยากทำลายร้างใครหรืออะไรก็ตามที่มาขัดขวางดูก็เป็นธรรมดาเพราะเมื่อมีความอยากได้ใครดีถ้ามีใครหรืออะไรมาขัดขวางก็จะต้องเกิดความมุ่งทำลายร้างสิ่งที่มาขัดขวางนั้นอีกอย่างหนึ่งอยากได้อะไรต้องอยากได้สิ่งที่ดีถ้าได้ไม่ดีไม่ถูกใจก็ต้องอยากให้สิ่งนั้นถูกทำลายหมดสิ้นไป หรือได้ตำแหน่งอะไรที่ไม่ชอบก็ต้องอยากออกไม่อยากดำรงอยู่กล่าวโดวยสรุปแล้วสมุทไทยมีลักษณะนิสัยเป็นไปทั้งในทางสร้างและทางทำลายดูก็คล้ายๆกับลักษณะนิสัยของคนเราทั่วๆไปนี้เองที่เป็นไปทั้งสองทางนิสัยในทางทำลายนั้นบางอย่างเห็นได้ชัดเช่นในเวลาเกิดไฟไม่บ้าน มีคนชอบไปดูกันมากกว่าที่อยากจะไปดูการสร้างบ้านทำไมจึงเป็นอย่างนี้นักจิตวิทยาปัจจุบันบางท่านกล่าวว่าเพราะนิสัยของคนชอบการทำลายมากกว่าการสร้างจะจริงอย่างไรก็ยากที่จะยืนยันแต่ประจักษ์พยานที่ปรากฏออกมานั้นเวลาสร้างบ้านไม่ปรากฏว่ามีคนสนใจไปดูกันส่วนเวลาไฟไหม้บ้าน กลับปรากฏว่ามีคนไปดูกันล้นหลามจึงน่าให้ถูกกล่าวหาเช่นนั้นสำหรับสมุทัยนั้นพูดอวดอยู่เสมอว่าเขาเป็นผู้ดำริสร้างขึ้นทุกอย่างเมืองจิตนครเองเขาก็คิดสร้างขึ้นและคิดจะสร้างเมืองขึ้นใหม่ๆต่อไปอีกเขาเองนั่นแหละเป็นผู้คิดให้มีการประกวดความงามกันขึ้นในจิตนครเพราะสิ่งที่สวยงามนั้น ทำให้เกิดความสุขมิเชื่อหรือเขาได้เสนอขึ้นดังนี้ชาวจินนครเห็นดีไปกับเขากันมากพากันประกวดประชันความงามกันทั่วไปไม่เลือกว่าเด็กผู้ใหญ่และคนแก่ข้อที่แปลกกว่าชาวโลกทั่วไปอยู่ที่ว่าคนแก่ของจิตนครชอบประกวดประชันความงามกันยิ่งกว่าคนหนุ่มสาวหรือเด็กและประกวดประชันกันอยู่ทุกเวลา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 ความอยากได้ใคร่ดีที่รุนแรงเป็นเหตุให้เกิดการทำลายดังกล่าวแล้วนั้นเป็นความจริงนิสัยอยากได้ใคร่ดีของสมุทรไทยจึงเป็นนิสัยฝ่ายไม่ดียังมีนิสัยฝ่ายดีของสมุทรไทยอยู่ประการหนึ่งซึ่งฟังเผินๆไม่พิจารณาให้ประณีตจะไม่อาจแยกความแตกต่างได้นิสัยฝ่ายดีนี้ของสมุทรไทยคือความอยากดี ความอยากดีเป็นนิสัยฝ่ายดีของสมุทรไทยในขณะที่ความอยากได้ใคร่ดีเป็นนิสัยฝ่ายไม่ดีความอยากดีย่อมเป็นเหตุให้ทำแต่ความดีไม่ทำความไม่ดีการทำลายล้างเป็นความไม่ดีดังนั้นการทำลายล้างจึงจะไม่เกิดแต่ความอยากดีจะเกิดก็แต่จากความอยากได้ใครดีเท่านั้นบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย คือบรรดาผู้อยากดีไม่ใช่อยากได้ใคร่ดีดังนั้นก็ควรจะได้มุ่งพิจารณาจับจิตของตนเองให้รู้ว่าความอยากได้ใคร่ดีเกิดขึ้นในจิตเมื่อใดเพียงไหนไม่เห็นหน้าตาความอยากได้ใคร่ดีอันเป็นนิสัยฝ่ายไม่ดีแล้วก็ให้พยายามข่มพยายามดับจนถึงพยายามให้สิ้นไปเสียด้วยการกระทําเช่นนั้น ความอยากดีจะเกิดขึ้นแทนที่นับเป็นการเสริมสร้างนิสัยฝ่ายดีให้เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการบรหิหารจิตโดยตรงที่จะนำให้เกิดความสุขแก่จิตใจยิ่งยิ่งขึ้นลักษณะของเพื่อนคู่หูของเจ้าเมืองจิตนครสมรไทยแห่งจิตนครชักชวนให้ชาวจิตนครเพลิดเพลินยินดีอยู่เสมอโดยการแนะนาส่งเสริมให้สร้าง ให้ทำสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เกิดความเพลิดเพลินยินดีแนะนำให้สร้างและให้ไปเที่ยวในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมายหลายอย่างหลายประเภทจีตนตะนกรจึงมีโรงภาพยนตร์โรงลิเกละครมากมายมีโรงอะไรต่ออะไรอีกมากนักสิ่งอะไรที่เป็นเครื่องบำเรอความเพลิดเพลินยินดีที่มีอยู่ในเมืองทั้งหลายในโลก จะต้องมีในจิตนครด้วยทุกอย่างจะมีล้ําหน้าเมืองต่างๆไปเสียอีกด้วยเพราะสมุทรไทยผู้เป็นต้นคิดของสิ่งเหล่านี้พำนักอยู่ในจิตนครสิ่งต่างๆจึงมีสร้างขึ้นในจิตนครก่อนแล้วเมืองต่างๆก็เอาอย่างทําตามกันไปทั่วโลกแต่ดังได้กล่าวแล้วว่าสมุทรไทยมีลักษณะนิสัยอยากได้ใคร่ดีแรง มุ่งทำลายล้างแรงต่อสิ่งที่ขัดขวางและน่าจะต้องชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่าความอยากได้ใครดีของสมุทรไทยนั้นไม่มีอิ่มไม่มีพอไม่มีเต็มเช่นว่าอยากจะได้แก้วแหวนเงินทองทีแรกก็อยากได้เพียงสิ่งหนึ่งจำนวนหนึ่งครั้นได้แล้วก็อยากได้ให้มากขึ้นไปอีกและให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสมมติว่า ได้ทองเท่าภูเขาทั้งลูกก็คงยังไม่อิ่มไม่พอจะต้องอยากได้ภูเขาทองสองลูกสามลูกดังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความอยากของสมุททยก็จะต้องพบกับสิ่งที่ขัดขวางทั้งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายศีลธรรมทั้งที่เป็นบุคคลด้วยกันเพราะสิ่งที่บุคคลอยากได้ด้วยความหิวกระหายเช่นนั้นบางสิ่งก็มีกฎหมายหรือศีลธรรม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 สมุทัยไม่นับถือกฎหมายศีลธรรมหรือบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งถ้ารู้สึกว่าเป็นเรื่องขัดขวางต่อความอยากฉะนั้นเหตุการณ์จึงปรากฏว่าสมุทัยชักนำให้ชาวจิตตนคครประพฤติเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมายศีลธรรมอยู่เนือ ง, งทั้งโดยปกปิดทั้งโดยเปิดเผยและชักนำให้ทำจรกรรมประทุษกรรมบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ หรือบุคคลผู้ที่ไม่ชอบหน้าอันที่จริงถ้าจะตามใจสมุทรไทยก็จะต้องเลิกกฎหมายศีลธรรมทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกเสียทั้งหมดเพราะกฎหมายศีลธรรมทั้งหลายที่ตั้งขึ้นไว้ก็เพื่อจำกัดหรือกำจัดความปรารถนาเกินส่วนอันความปรารถนาอยากได้ของแต่ละบุคคลนั้นจาต้องมีจำกัดหรือมีขอบเขตเช่น แก้แหวนเงินทองที่อยากได้กันก็จะต้องมีส่วนจำกัดสำหรับแต่ละบุคคลเพราะจะต้องมีเฉลี่ยกันไปแก่คนทั้งปวงทุกๆคนจึงต้องจำกัดความอยากได้ของตนให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและศีลธรรมแต่สมุทยนั้นไม่ชอบอย่างยิ่งต่อระบบจำกัดเช่นนี้แอบบนเสมอว่าเป็นระบบที่ขัดต่อเสรีภาพขัดต่อธรรมชาติของจิตใจ ควรจะต้องโยนทิ้งเสียให้หมดและอยากจะทำอะไรก็ทำตามที่ใจใคร่ปรารถนาเมื่อทำไปแล้วความอยากก็จะดับการทำไปตามที่ใจอยากจึงเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อดับกิเลสอย่างหนึ่งสมุทยจะแนะนําอยู่ดังนี้แต่คำแนะนำนี้ของสมุทยเป็นการตรงกันข้ามกับความจริงเพราะที่สมุทยแนะนําว่าเมื่ออยากทำสิ่งใดแล้ว ทำเสียตามที่อยากจะหายอยากเรียกว่ากิเลสดับนั้นหาถูกไหมได้เคยกล่าวไว้ในรายการนี้หลายครั้งมาแล้วว่าอะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วไม่หายไปไหนที่ว่าดับก็ไม่ได้ดับไปไหนเพียงแต่จมลงแอบซ่อนตัวอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจซึ่งเป็นส่วนลึกและลี้ลับมิดชิดเท่านั้นความคิดดีเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง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 ที่ไม่ดีของใจฉะนั้นหากเชื่อคำแนะนำของสมุทรไทยอยากได้อะไรปล่อยตามใจให้อยากไม่เลือกควรไม่ควรเมื่อได้สมอยากแล้วก็เท่ากับทำให้ดับกิเลสได้แล้วเช่นนี้ก็เท่ากับส่งเสริมให้สมุทรไทยมีกำลังแรงขึ้นคอยชักนาให้เพลิดเพลินหลงติดอยู่ในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ยิ่งขึ้นนั่นเอง เมื่อสมุทรไทยมีกำลังแรงไปในทางก่อทุกข์เจ้าเมืองแห่งจิตนครก็ย่อมจักได้รับทุกแรงพูดอีกอย่างก็คือผู้ใดปล่อยให้สมุทรไทยเหตุเกิดทุกข์ในตนมีกำลังแรงตนเองนั่นแหละที่จะมีทุกแรงหัวโจกของเพื่อนคู่หูและลูกมือพรรคพวกของสมุทรไทยมีอยู่มากคนด้วยกัน คนที่เป็นหัวโจกสักหน่อยก็ได้แก่โลโพคนหนึ่งโทโสคนหนึ่งโมโหคนหนึ่งโลโพนั้นเป็นคนโลภอยากได้อะไรต่ออะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาสิ่งอะไรที่เห็นว่าเป็นของดีมีค่าดังที่เรียกกันว่าทรัพย์หรือเงินเป็นต้นต้องอยากได้ทั้งนั้นโทโสนั้นเป็นคนเจ้าโทสะเมื่อมีใครมาขัดคอขัดใจแม้นิดหนึ่ง ก็ต้องบรรดานโทสะเสมอโมโหนั้นดูยากเพราะมักแสดงตนเป็นคนเฉยๆหิ้มหิมชอบนั่งโงกง่วงหรือไม่เช่นนั้นก็ชอบนั่งคิดฟุ้งซ่านบางทีก็เป็นคนลังเลไม่แน่นอนว่าจะตกลงอะไรบางทีก็วางท่าเป็นคนฉลาดแต่ความจริงไม่รู้อะไรจริงแบบที่เรียกว่าง่ออัฉราด และโมโหยังชอบติดพันหรือผัวพันอยู่กับสิ่งต่างๆชักชวนโลโพโทโสให้ไปเที่ยวด้วยกันอยู่เสมอสมุไทยชอบให้หัวโจกทั้งสามคนนี้เที่ยวไปในที่ต่างๆเป็นสมุนที่ใช้ได้ดังใจโลโพจะรู้ใจสมุไทยโดยจะพยายามรวบรวมสิ่งที่สมุไทยชอบหรือใครจะได้ไว้ให้เสมอโลโพจะต้องอยากได้ ในสิ่งที่สมุทรไทยใคร้จะได้เพื่อสนองความต้องการของสมุทรไทยหรือกล่าวอีกอย่างหนึง่งโลโพอยากได้เพื่อนสนองความต้องการของสมุทรไทยเท่านั้นสมุทรไทยจึงวางใจในโลโพให้ออกไปกว้านหาสิ่งต่างๆเป็นคนที่หนึ่งรั้นพบบุคคลหรือสิ่งขัดขวางก็ใช้โทโสออกไปแสดงอำนาจข่มขู่จนถึงทำร้ายต่างๆ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 บางคนเข้าใจว่าโมโหเป็นคนมีอุเบกขาคือความวางเฉยเฉพาะนนคนที่รู้ถึงท่าแท้ของโมโหเท่านั้นจึงจะเข้าใจว่าโมโหเป็นคนที่เรียกว่าหลงเพราะไม่รู้อะไรจริงหัวโจกทั้งสามคนมีลูกมือที่เป็นตัวผู้ลงมือทำตามคำสั่งอีกสามคนชื่อกายทุจริตคนหนึ่งวจีทุจริตคนหนึ่งมโนทุจริตคนหนึ่ง สามคนนี้เป็นนักเลงหัวมีดหัวไม้ร้ายกาดักใช้ให้ไปลักของใครให้ไปทำร้ายใครให้ไปพูดหลอกลวงใครหรือให้คิดวางแผนทุจริตต่างๆเป็นได้การเสมอชาวจิตตนครจึงอยู่กันไม่ผาสุกมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเช่นมีการทำร้ายร่างกายกันมีการลักขโมยปล้นสะดมกันเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่เชื่อคำพูด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 ความทุกข์อันใดบังเกิดขึ้นในจิตนครเจ้าเมืองจะต้องรับทุกขอันนั้นแทนหรือร่วมด้วยชาวจิตนครทั้งสิน้นในทางตรงกันข้ามความสุขที่เกิดขึ้นในจิตนครเจ้าเมืองก็ได้รับร่วมกันไปกับชาวจิตนครทั้งสิ้นเช่นเดียวกันดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าเมืองแห่งจิตนครหรือจิตนั่นเองเป็นที่รับทั้งความสุขทั้งความทุกข์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 จิตเป็นสิ่งที่สั่งสมอารมณ์ทั้งปวงทั้งดีทั้งชั่วสั่งสมอารมณ์ที่ดีมากก็เป็นจิตที่ดีสั่งสมอารมณ์ชั่วมากก็เป็นจิตที่ชั่วคนดีหรือคนชั่วก็เกิดจากการสั่งสมอารมณ์นี้เองไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นจึงควรจะได้ระวังการสั่งสมอารมณ์เป็นอย่างยิ่งแม้ไม่ปรารถนาจะเป็นคนไม่ดีขณะเดียวกันควรมีความเพียรใช้สติใช้ปัญญา สร้างทางออกสำหรับสิ่งไม่ดีขึ้นในจิตเพื่อนาเอาสิ่งไม่ดีที่เข้าไปครอบครองจิตอยู่ออกเสียให้ได้แม้จะทีละเล็กนน้อยก็ย่อมดีกว่าไม่มีการหาทางนำออกเสียเลยเพราะความไม่ดีนั้นถ้าปล่อยให้เพิ่มพูนขึ้นโดยไม่พยายามทำให้ลดลงสักวันหนึ่งก็จะท่วมท้นจนไม่มีที่สำหรับความดีเหลืออยู่เลยแม้เป็นเช่นนั้นเมื่อไหร่ เมื่อนั้นเจ้าเมืองจิตนาครก็จะกลายเป็นคนชั่วที่ไม่เป็นที่ปรารถนาในที่ใดเลยเพราะมีแต่จะนำความร้อนนำทุกโทษภัยไปสู่ทุกหนทุกแห่งที่ย่างเหยียบเข้าไปคนชั่วเป็นเหตุแห่งความทุกแห่งความร้อนของตอนเองด้วยดังนั้นทุกคนจึงควรกลัวอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นคนชั่วจึงควรพยายามอย่างยิ่งที่จะนาทาง นำความไม่ดีออกจากจิตให้สม่ำเสมอ